10. อุยโยธิกะสิกขาบท103ถามทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ไปสู่สนามรบณที่ไหนตอบทรงบัญญัตินกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบรพพวกภิกษุฉับพคีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุฉับพคี